วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ก็คือการเป็นนักเรียนนี่เองเป็นนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันการศึกษาเป็นโรงเรียน เป็นมหาวิทยาลัยที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในการที่จะไปรักษาจิตใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆให้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นไปตามลำดับ มีหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเรียนรู้กันเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วก็จะได้รับป ร, ริญญาพ<ม>ระบุทธศาสนาก็มีป ร, ริญญาอยู่สระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าโสดาโสดาบันระดับที่สองเรียกว่าสกิดาคามี ลำดับที่สามเรียกว่าอนาคามีและลำดับที่สี่เรียกว่าอารหันและนิพพานเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาขั้นพระอารหันต์ก็จะได้นิพพานนิพพานก็คือบรมมสุขนิพพานังปรมังสุขขงัง เป็นจิตใจที่ไม่มีความทุกข์อยู่เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่ไม่วุ่นวายไม่เสียใจไม่เครียดไม่อะไรทั้งหมดความที่รู้สึกไม่ดีต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจจะหายไปหมดถ้าได้ เรียนถึงระดับขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็จะได้นิพพานคือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่หายจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเป็นร่างกายก็คือร่างกายที่หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บในร่างกายนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม แต่ความเป็นจริงร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไปจนวันตายมันก็รักษาไม่หมดรักษาไม่หายเพราะเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อให้ดูแลรักษากันอย่างไรอย่างดีที่สุดตามความสามารถของหมอ ที่เก่งที่สุดในเรกนี้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้โครคภัยแค่เจ็บของร่างกายนี้หายไปให้หมดแต่เรื่องของจิตใจนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะรักษาให้หายจากโรคของใจได้ทั้งหมดโรคของใจก็คือโรคของความทุกข์ต่างๆเช่นโรคที่เกิดจาก ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการตายก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันก็ดีจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุปริญญา ขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือขั้นพระอรหันต์ส่วนระดับต่างๆเช่นระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีนี้ก็เป็นระดับที่ดับความทุกข์กำจัดความทุกข์ได้เป็นส่วนๆไปถ้าเปรียบเทียบแบบร่างกายก็อาจจะรักษาโรคภัย แต่ลอย่างให้หายไปแต่ยังไม่สามารถรักษาให้หายหมดได้ที่น่าจะรักษาไข้หวัดให้หายไปแล้วก็รักษาไข้ความดันให้หายไปหายไปทีละอย่างความทุกข์ใจก็มีหลายอย่างด้วยกันหลายระดับด้วยกันที่จะต้องมีการกําจัดบาบัดให้หมดสิ้นไปจากใจ จึงมีการแบ่งระดับของการดับของความทุกข์ใจดับของโลกใจนั้นไว้สี่ระดับด้วยกันนั่นเองที่ผู้ผู้ที่ได้มาศึกษาพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติ <c oughs> อย่างเคร่งครัดอย่างที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนคำว่าสุปฏิปันโนนี้เราไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าเพียงอย่างเดียวคำว่าสุปฏิปันโนหมายถึงผู้ปฏิบัติทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนกต็ตามสามารถที่จะเป็นสุปฏิปันโนได้ไม่ได้หมายความว่าจาเป็นที่จะต้องเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุท่านั้น หรือภิกษุณีเท่านั้นถึงจะเป็นสุปฏิปันโนได้คำว่าสุปฏิปันโนก็หมายถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งในพระพุทธศาสนาเราก็มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่สี่สี่พวกด้วยกันคือพวกที่หนึ่งเราเรียกว่าอุบาสกคือผู้ครองเรือนที่รักษาศีลแปดขึ้นไป ที่รักษาศีลแปดและปฏิบัติธรรมด้านจิตตภาวนาแล้วก็ทำทานรักษาศีลท่านเหล่านี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าอบาสุกถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอบาสิกาขยับเข้ามาอีกหน่อยถ้าอยากจะปฏิบัติเต็มร้อยเต็มรูปแบบ ก็ไปบวชกันเป็นพระภิกษุหรือเป็นภิกษุณีในสมัยที่มีภิกษุณีแต่สมัยนี้ภิกษุณีนี้หมดไปแล้วเพราะว่าไม่มีผู้ที่สนใจที่จะบวชเป็นภิกษุณีในยุคที่มีภิกษุณีนี้เวลาที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้ จำเป็นต้องมีภิกษุณีเป็นภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ต้องมีภิกษุสงฆ์ร่วมกันบวชให้แต่ต่อมาผู้ที่เป็นอุบาสิกาหรือเป็นญาติโยมสุภาพสตรีไม่ได้มีความศรัทธาหรือไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอที่จะออกบวชกัน ภิกษุณีก็เลยขาดตอนไปหายไปพอขาดแล้วจะกลับมาต่อใหม่มันไม่ได้้วเพราะว่าการจะบวชภิกษุณีได้ต้องมีภิกษุณีสง<ม>ก็ต้องมีภิกษุณีอย่างน้อยห้าหรือสิบรูปขึ้นไป<ม>ถึงจะสามารถทำการบวชภิกษุณีขึ้นมาได้<ม>แล้วนอกจากมีภิกษุณีสงแล้วก็ต้องมีภิกษุสงด้วย อต้องมีพระภิกษุอย่างน้อยห้าหรือสิบรูปขึ้นไป<ม>ถึงจะถามสามารถทําการอุปสมบทบวชผู้ที่เป็นคารวาสให้มาเป็นนักบวชเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีได้การจะเป็นภิกษุณีนี้ต้องบวชสองสองด้วยกันบวชกับภิกษุณีแล้วก็ต้องมาบวชกับภิกษุสองด้วยภิกษุ<ม>ถึงจะสามารถเป็นภิกษุณีได้ แต่สำหรับผู้ชายนี้ถ้าต้องการจะบวชเป็นภิกษุสงฆ์นี่บวชกับบวชกับภิกษุสงฆ์ได้เลยเพียงภิกษุเพียงฝ่ายเดียวไม่ต้องไปบวชกับภิกษุนีสง์ด้วย <c oughs> แต่ถ้าต่อไปในอนาคต <c oughs> ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะถ้าไม่มีผู้ที่มีศรัทธาที่จะมาบวชเป็นภิกษุสงฆ์มาบวชเป็นพระภิกษุกัน ต่อไปจํานวนพระภิกษุก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อาจจะไม่มีพระภิกษุเหลืออยู่เลย mm hmm. เพราไม่มีผู้ที่จะสนใจที่จะมาบวชเป็นภิกษุกัน mm hmm. เราสามารถมองเห็นแ <c oughs> นวของคามของความเสื่อมของภิกษุสงฆ์นี้ได้จากปริมาณของผู้ที่มี ศรัทธาที่จะมาบวชสมัยก่อนนี้อย่างน้อยก็จะมีผู้มาบวชกันถ้าเป็นผู้ชายเป็นชาวพุทธผู้ชายอายุครบยี่สิบก็จะมีธรรมเนียมที่จะมาบวชกันอย่างน้อยก็หนึ่งพันษาสามเดือนด้วยกันแต่ต่อมาเรามีความเจริญทางด้านวัตถุกัน มีความเจริญทางด้านโลกธรรมหรืทางด้านลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจึงทําให้ไม่มีใครอยากที่จะมาบวชกันเพราะว่าจะต้องลาลาภารกิจการงานถึงจะมาบวชได้และเวลาลาภารกิจการงานก็จะไม่มีรายได้ ไม่มีเวลาที่จะได้ไปหาราบยศสารเสริญสุขมาเสกกัน<ม>การบรวชก็เลยสั้นลงเดี<ม>๋ยวนี้บางทีบวชกันแค่สิบห้าวันเท่านั้นเอง<ม>บางทีก็เจ็ดวัน<ม>ที่บวชกันทั้งพรรษาสามเดือนนี้ก็มีอยู่บ้างแต่ปริมาณนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆ<ม>ยิ่งถ้าทางโลกทางทา ง, ทางโลกกระทำคือทางราบยศสารเสริญสุขนี้ เริญมากขึ้นไปเท่าไหร่ความมีศรัทธาก็จะมีน้อยลงไป<ม>เพราะจิตใจจะให้จะมีไปมีศรัทธาในการที่จะไปหาราบยศสารเสริญสุขกันมากขึ้น<ม>เพราะว่า<ม>สามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นสามารถที่จะมีตําแหน่ง<ม>ต่างๆ ได้มากขึ้นสามารถซื้อความสุขต่างๆจากเงินทองจากอำนาจที่มีอยู่ได้มากขึ้นนั่นเองจึงทำให้ไม่มีใครคิดที่อยากจะไปบวชกันเพราะว่าไม่เห็นความทุกข์กันก็ว่าได้ส่วนหนึ่งเพราะความเจริญทางด้านวัตถุนี้ก็ให้ความสุขเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองที่จะต้องมีวันเสื่อมหรือวันหมดไปได้วันใดวันหนึ mm hmm. ่งซึ่งเมื่อเกิดเวลานั้นขึ้นมาแล้วถึงจะเริ่มเห็นความทุกข์ของโลกกระททั้งสี่ mm hmm. แต่ตอนนั้นก็อาจจะสายไปเสียแล้วเพราะว่าจะไม่มีกำลังใจพอที่จะ มาบวชมาปฏิบัติเพื่อมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการสูญเสียโลกกระทำไป<ม>เดี๋ยวนี้ปริมาณของนักบวชก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้า<ม>ไม่แน่วันใดวันหนึ่งอาจจะไม่มีใครสนใจที่จะมาบวชกันเลยก็ได้หรือบวชก็บวชกันแบบสั้นๆ อย่างนี้บางทีก็นิยมบวชเช้าสึกเย็นกันก็มี เ, เรียกวบวชนาไฟเวลาคนตายนี่ก็บวชอุทิศบุญให้กับคนตายแต่ความจริงแล้วการบวชนี้ไม่ได้บวชเพื่อให้คนนั่นคนนี้การบวชนี้เป็นการบวชให้กับผู้บวชเอ ง, องเราะมันเหมือนกับการไปโรงเรียนการบวชนี้คือการไปโรงเรียน ไปเรียนหนังสือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแต่สมัยนี้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนานี้ลดน้อยถอยลงไปมากไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาที่ ความเป็นจริงของพระพุทธศาสนานี้เป็นอะไรกันแน่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนานี้เป็นสถาบันการศึกษาเป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัย <Okay. S 1> ผู้ที่มารับถือพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา <Okay. S 1> ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าทำทำหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษา ก็จะได้รับปริญญาของพระพุทธศาสนากันแต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสถาบันการศึกษากลับไปคิดว่าเป็นสถาบันที่จะโดนบันดาลสิ่งต่างๆให้กับผู้ที่มีศรัทธาเรื่อมใสเรื่อมใสในอะไร ก็เริ่มสายในพระพุทธรูปนั่นเองเดี๋ยวนี้คนไทยหรือคนที่เป็นชาวพุทธนิ่มมักจะคิดว่าการที่จะมีความสุขความเจริญการที่จะได้สิ่งต่างๆที่ปรารถนานันต้องไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธรูปต่างๆนี่เอง ยังมีการสร้างพระพุทธรูปกัน mm. แล้วก็ไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปกันไปขอพรจากพระพุทธรูปกันขอให้พระพุทธรูป mm. ได้โดนบันดาลให้สิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ได้ได้สำเร็จ mm hmm. ได้ต้องได้ต้องการอะไรก็ขอให้ได้ดังที่ต้องการ จึงส่วนใหญ่จะกลายเป็นเรื่องของการดนบันดาลเป็นเรื่องของการอธิษฐานขอสิ่งต่างๆซึ่งความจริงคําว่าอธิษฐานนี้ก็ตามภาษาเดิมตามความหมายเดิมของศาสนานี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการขอแต่อย่างใด<ม>คําว่าอธิษฐานนี้ทางศาสนาเรียกว่าความตั้งใจ ความตั้งจิตตั้งใจที่จะทำจิตใดอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดผลที่ต้องการขึ้นมานี่คือคำ ว, ว่าความหมายที่แท้จริงของอธิษฐานในบามีสิบเป็นหนึ่งในบารมีสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจนี้สิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องมีก็คืออธิษฐาน อธิษฐานนี่คือแปลว่าตั้งเข็มทิศก็ได้ตั้ง GPS ก็ได้หรือตั้งเป้าหมายก็ได้ว่าเราจะไปไหนกันในทางพระพุทธศาสนาเราต้องการไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและการที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นเราจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและมีการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่างนั้นการที่เราจะมาศึกษาและมาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คืออธิษฐานคือความตั้งใจอย่างวันนี้ญาติโยมนี่มาที่นี่ได้ในวันนี้เพราะอะไรก็เพราะมีอธิษฐานมีความตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันที่เราว่างจากภารกิจการ ง, งานต่างๆ เราจะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่จะได้ลดความทุกข์ที่มีในใจให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับต่อไปอันนี้แหละคืออธิษฐานถ้าญาติโยมไม่ได้ตั้งอธิษฐานไว้ล่วงหน้าว่าจะมาวัดวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่ก็ได้เพราะว่าอาจจะมี ไปส่งข้อความมาในตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้ว่าพรุ่งนี้ไปนั่นกันไหมไปที่นั่นไปที่นี่กันไหมมีมีงานตรงนั้นมีงานตรงนี้ไปกันไหมออพอถ้าไม่ได้ตั้งอธิษฐานไม่ได้ตั้งเป้าหมายของการกระทารรของวันนี้ว่าจะมาวัดพอมีคนมาชวนก็อาจจะรับปากว่าไปก็ได้ เพื่อนถูงม้ชวนให้ไปเที่ยวกันวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้มีงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่นั่นที่นี่ให้ไปร่วมกันพอมีการมาเชื้อเชิญก็เลยไปตามความเชื้อเชิญได้แต่ถ้าได้มีการตั้งอธิษฐานไว้แล้วตั้งเป้าไว้ ว, ว่าวันนี้จะมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทำหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาของชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธเราต้องไปโรงเรียนกันเราต้องไปเรียนหนังสือไปปฏิบัติธรรมกันถ้าเราไม่ไปโรงเรียนไม่ไปปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเราหนีโรงเรียนนั่นเองถ้าเราหนีโรงเรียนเรียนไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะจบปริญญาได้ปริญญาของพระพุทธศาสนาจะไม่ได้รับ ถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปปฏิบัติทำการบ้านทำข้อสอบของโรงเรียน<ม>ก็จะไม่สามารถที่จะรับปริญญาได้<ม> น, นี่แหละคือคำว่าอธิษฐานซึ่งกายมันเพี้ยนไปแล้วจากคำว่าเป็นการตั้งเป้าหมายให้ใหกับการกระทำของเรา ให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราชาตินี้เราจะต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้อันนี้แหละเรียกว่าอธิษฐานแลาการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ น, นี้เราต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องไปโรงเรียน ไ, ไปเรียนหนังสือ ไ, ไปวั ด, ดวัดเป็นโรงเรียนที่หน้าที่โรงเรียนมีอะไรให้ทำก็มีธรรมะให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ ด, ด้วยการได้ยินได้ฟัง เมื่อได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถทำข้อสอบต่างๆได้ข้อสอบที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราถ้าเราสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในใจของเราให้หายไปให้หมดไปได้เราก็จะสอบผ่าน พอเราสอบผ่านเราก็จะได้รับปริญญาขั้นต่างๆตามลําดับได้รับปริญญาขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคามีขั้นพร ะ, าาะอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ตามลําดับต่อไปสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็จากการมีอธิษฐานมีการตั้งจิตอธิษฐานแต่แต่สมัยนี้คําว่าตั้งจิตอธิษฐานนี้มัน ถูกกิเลสมันเปลี่ยนไปแทนที่จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อไปเรียนไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมมันกลับให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ขอโลกธรรมทั้งสี่ก็คือขอลาบยศสรรเสริญขอความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายซึ่งเป็นการขอ ความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเองเพราะการที่ได้ราบยศสารเสญสุขมานี้<ม>ก็เป็นเหมือนกับการได้ยาเสพติดดีๆนี่ เ, <ม>เราคงจะรู้กันว่ายาเสพติดเป็นอย่างไร<ม>เราทําไมถึงไม่เสพยาเสพติดกันพอเรารู้ว่าถ้าเราเสพยาเสพติดแล้วเราจะติด<ม>แล้วเราจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ<ม>แล้วถ้าวันใดวันหนึ่ง เราไม่สามารถเสพยาเสพติดได้วันนั้นก็จะเป็นวันที่ทุกทรมานเป็นวันทุกทรมานใจดูคนที่ติดยาเสพติดแล้วเวลาไม่ได้เสพนี้จะบา้าคลั่งจะมีอาการหงุดหงิดจะมีอาการไม่ปกติจะต้องไปหาวิธีใดวิธีหนึ่งไปหายาเสพติดมาเสพให้ได้ถึงจะค่อยสงบลง อันนี้ก็เช่นเดียวกันสมัยนี้ชาวพูดเหล่านี้ถูกกิเลสหลอกให้ตั้งจิตอธิษฐานไปในทางที่ไม่ถูกคือตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอโลกกระทำเพื่อขอยาเสพติดให้กับใจให้ใจมาเสพขอให้ได้ลาบเยอะๆลาบก็คือเงินทองรับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราเรียกว่าลาบขอให้ได้ยศได้ตำแหน่งสูงขึ้น ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นก็สสได้เป็นอะไรต่างๆอันนี้เป็นยาเสษติดทั้งนั้นขอให้ได้รับรางวัลนักกีฬาก็อยากจะได้แชมป์ได้ได้รางวัลที่หนึ่งได้เหรียญทองเป็นต้นแล้วก็ขอให้ได้มีความสุขในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆ คือให้มีแต่ความสุขทุกวันตื่นขึ้นมาก็เสบรูปเสียงกลิ่นลดไปจนถึงถึงเวลานอนหลับ mm hmm. ทุกวันขอให้มีแต่ความสุขจากการได้เสบได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆแต่ความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่ได้เป็นของที่ขอกันได้ mm hmm. ขอย่างไรก็ไม่ได้ mm hmm. จะให้เจริญในลาบไปตลอดก็ไม่ได้จะให้เจริญในยศไปตลอดก็ไม่ได้ ใจให้เจริญในสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่ได้จะให้เจริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าโลกธรรมนี้มันเป็นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษ์ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเ น, นี่ยอนิจจังก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงมีเจริญมันก็ต้องมีเสื่อมมันเป็นของคู่กันอ น, นิจจังนี้ หมายถึงเป็นของสิ่งใดมีการเจริญสิ่งนั้นต้องมีการเสื่อมไปมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสือ่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขจากรูปเสียงกิริยลดถุตพะก็จะต้องมีทุกขจากรูปเสียงกิริยลดุจถุตพะเช่นเดียวกันต่ให้ขออย่างไรขอให้เจริญในลาบยศสารเสริญสุขไปนี้ ข อ, อยังไงไปจนตัวมันตายก็ขอไม่ได้ขอได้ก็เพียงชั่วครั้งชั่วข่าวแล้วต่อมามันก็จะเสื่อมลงไปเป็นการไปขอความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวอันนี้จังแล้วก็ทำให้ทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากได้เราอยากได้ลาบแต่กลับเสียลาบมันก็ทำให้เราทุกข์ อยากได้ยศกับเสียยศนี่ล้วก็ทำให้เราทุกข์อยากได้สรรเสริญแล้วไปได้ดินทา ก, ก็ทาให้ทุกข์อยากจะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอมันไม่ได้มันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาอั น, นิจจังทุกขังนี่มันทำให้เราทุกข์เพราะมันไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนทำไมมันถึงไม่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศ ดินฟ้าอากาศนี่มันเป็นของที่ไม่แน่นอนที่เราควบคุมบังคับไม่ได้<ม>เราไปสั่งให้ฝนตกตลอดเวลาไม่ได้สั่งให้ฝนตกตอนไหนที่เราต้องการไม่ได้สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกนี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราฉันใดราบยศ ส, สรรเสิญสุกก็เช่นกันมันก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่นินฟ้าอากาศ ที่มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราพอเราอยากให้มันเจริญพอมันไม่เจริญมันก็ทำให้เราทุกข์พอมันเสื่อมมันก็ทำให้เราทุกข์อันนี้แหละคือความบิดเบียนหรือความความหลงของชาวพุทธเราที่ไปแปลความหมายของอธิษฐานว่าเป็นการขอความจริงมันไม่ได้เป็นการขอพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครขอ พระพุธศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาขอแต่เป็นศาสนาธรรมคำว่าธรรมก็คือให้ทาทำกรรมดีละกรรมชั่วให้ชำระกิเลสตัณหาโ ม, โมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจและจะต้องทำด้วยตนเองผู้อื่นทำให้เราไม่ได้เราต้องทำกันเอง ผูททำได้ก็คือสอนเราเท่านั้นเองเช่นเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจเอาว่าสารณะที่พึ่งทางใจในที่นี้ก็หมายถึงเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองไม่ได้เป็นสารณะที่พึ่งที่เราจะมาขออธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยขอไม่ให้ตายมันขอไม่ได้ของพวกนี้อธิษฐานอย่าไปใช้คำว่าอธิษฐานเพื่อแปลว่าขออธิษฐานแปลว่าให้ขอให้เราตั้งใจตั้งเป้าว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้แล้วเราทาควรจะทาอะไรดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เรามีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เราควรจะตั้งเป่าว่าเราจะขอเป็นนักเรียนนักศึกษาของพระพุทธของสถาบันการศึกษาคือของพระพุทธศาสนานี้เราจะไปเรียนเราจะไปโรงเรียนไปวัดไปเรียนไปศึกษาไปปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคาสอน ในของพระ อ, อริยสงสาวุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสามท่านนี้จะสอนหลักสูตรอันเดียวกันสอนหลักสูตรวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆสอนหลักสูตรให้บรรลุเป็นพระโสดาบานันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์กันตามลำดับไม่ว่าจะศึกษากับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดี ท่านก็จะสอนให้เราไปมรรคผลไปบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคาพระอนาคาคาพระอาหารหันต์ศึกษาจากพระไตรปิฎกหนังสือที่พที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็สอนอย่างเดียวกันศึกษากับพระอริยสงสาร ก, ก็สอนเรื่องเดียวกันสอนให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกัน เราจะศึกษากับใครก็ได้แล้วแต่ว่าอย่างไหนที่จะเราสามารถเข้าถึงได้<ม>บางท่านก็สามารถเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกโดยได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือที่ได้คัดออกมาจากพระไตรปิฎก<ม>ได้อ่านแล้วก็ได้เข้าใจและสามารถนำาเอาไปปฏิบัติตามได้ ก็สามารถที่จะบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ในข่านต่างๆได้จากการศึกษาจากพระไตรปิฎกพระคัมภีต่างๆหรือบางท่านก็มีโอกาสได้เข้าถึงคำสอนของพระอริยบุคคลพระที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ในประเทศไทยนี้ยังมีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้อยู่ คือบรรด า, าพระเกจิอาจารย์ต่างๆพระที่ท่านสอนธรรมะไม่ใช่สอนวิชา เ, าเกี่ยวกับการเหาะเหินเดินอากาศหรืออภินญาต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไปเจอเกจิอาจารย์สอนให้เราดำดินได้เหาะเหินเดินอากาศได้อันนี้อย่าไปเรียนให้เสียเวลาเพราะอภินญาหรือ ความสามารถที่เรียกว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนี้มันไม่ได้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่าหลงทางถ้าไปทางอภินยาไปทางอิทธิฤทธิ์ต่างๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปทางนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราไปทางการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลด้วยการไปชำละกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปดงนั้นถึงแม้จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆเราก็ต้องดูว่าท่านสอนอะไรถ้าท่านสอนไปในทางอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆเห็นเลขเห็นเบอร์นี่อย่าไปนะถ้าไปไม่หลุดพ้นจากความทุกข์อาจจะได้เลขได้ถูกหวยนะแต่การได้เงินได้ทองมานี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้าการได้ของวิเศษมาปกป้องทำให้หนังเหนียวยิงไม่เข้าแทางไม่แทงไม่ออกเนก็อย่าไปหลงนะยังไงก็ตายอยู่ดีเอาให้ห้อยพระ ด, ดีขนาดไหนก็ตามวันหนีพ้นความตายไม่ได้หนีพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ อ, อ, อย่าไปหลงคิดว่านี่เป็นพระอริยของพระพุทธศาสนา พระอริยะจะไม่สอนเรื่องราวเหล่านี้จะสอนแต่วิธีการดับความทุกข์ใจจะสอนวิธีบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ท่านั้นดังนั้นชาวพุทธเราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าในพระพุทธศาสนาเหล่านี้โดยเฉพาะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ้าพที่สอนทางธรรมเพียงอย่างเดียวทางหลุดพ้นสู่ความทุกข์เพียงอย่างเดียวหรือพระภาพที่สอนทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆใส่ เ, สเป่าน้ำมนต์เครื่องรางของขังต่างๆนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ถึงแม้พระพุทธเจ้ามีอภิน ญ, ญามีสักมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ พระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งนําเอามาใช้ในการเผยแผ่ธรรมะคําสั่งคําสอนสอนแต่สัตว์จะทำความจริงสอนแต่มักที่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นจะไม่สอนในเรื่องของการเข้าถึง<ม>อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเพราะอันนั้นไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นมันเป็นทางสู่การติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด ในกองทุก์แห่งสังสารวัฏไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเราต้องรู้จักแยกแยะนะว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปนั้นท่านสอนอะไรกันหน้าถ้าท่านสอนมรรคเช่นมรรคแปดสอนให้เราปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาสัมมาทิฏฐิแปลว่าสอนใหเรามีความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะสอนให้เรามีความคิดที่ชอบสัมมากรรมโตสอนให้เรามีการกระทาที่ชอบสัมมาวาจาสอนให้เรามีคาพูดวาจาที่ชอบสัมมาอาชีโวสอนให้เรามีอาชีพที่ชอบสัมมาวายาโมสอนให้เรามีความภาคเพียนขยันหมั่นเพียนที่ชอบสัมมาสติ สอนให้เรามีความตั้งและเลึกรู้ที่ชอบที่ชอบสามมาสมาธิสอนให้เรามีความตั้งมั่นของจิตที่ชอบอันนี้แหละเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เรียกว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ท่านจะปฏิบัติมักแปดนี้มักแปดหรือถ้าย่อลงมาก็เป็นไตสิกขา เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาและถ้านำเอามรรคแปดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับคารวาะผู้คลองเลือนก็จะเพิ่มการทําบุญทําทานเข้าไปอีกข้อหนึ่งกลายเป็นทานศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่คำว่าภาวนา this ก็คือการปฏิบัติสมาธิและการปฏิบัติปัญญา ถ้าเป็นนักบวชก็สอนเพียงแต่ศีลสมาธิปัญญาก็พอเพราะว่านักบวชนี้ได้ทาทานไปหมดแล้วนักบวชไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องดับทุกข์เพราะเงินทองดับทุกข์ไม่ได้ต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านแสนล้านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้โดนใครเขาด่าเพียงคำเดียวก็กกทุกข์ขึ้นมาได้ทันที เป็นมาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนี่พอมีใครดา่าเขาสักคําเดียวนี่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ทันทีเลยยิ่งยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งถือตัวยิ่งคิดว่าตนเองเก่งยิ่งคิดว่าตนเองวิเศษพอโดนใครเขาดูถูกดูแคลนหน่อยดินทาหน่อยเฉะนั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเลยยิ่งต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้ ต่อให้เป็นมียศตำแหน่งอันสูงขนาดไหนก็ตา ม, มก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้<ม>เวลาที่ไปสัมผัสกับโลกธรรมที่เสื่อมเวลานั้นใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>แต่ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา<ม>ใจจะไม่ทุกข์เลยใน ส, สาเหตุที่พระพุทธเจา้าทรงสอนมรรคแปดให้กับนักบวชคือศีลสมาธิปัญญา ไม่ได้สั่งสอนให้ทำบุญทำทานก็เพราะว่าการมาเป็นนักบวชนี้ได้ทำทานไปหมดแล้วผู้ที่จะมาบวชนี้พระเจ้าบอกให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอ ง, งต่างๆอย่าเอามาเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์มันดับไม่ได้เงินทองมีเท่าไหร่ก็ดับไม่ได้เงินทองนี้เป็นตัวเหตุของการสร้างความทุกข์ให้ให้กับผู้ที่ยังต้องพึ่งเงินทองอยู่ เพรถ้ามีเงินทองแล้วเวลามีความไม่สบายใจก็ใช้เงินทองไปดับมันดับได้ชั่วคราวแต่มันไม่ได้ดับแบบถาวรดับได้เดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เช่นเราไม่สบายใจยี่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็ไปเที่ยวกันหรือไปซื้อของที่เราเราอยากเราอยากได้กันหรือไปดูไปฟังอะไรกัน มันก็ทําให้เราลืมเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจไม่ชั่วข่าวเหมือนกับดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวแต่พอหลังจากที่เรากลับมาจากเที่ยวมาเจอของที่เคยทําให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกฉะนั้นอย่าไปใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจให้เอาไปทําบุญทําทานให้หมดการทําบุญทําทานนี่แหละเป็นการดับความทุกข์ใจ มันจะทำให้เราไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องพึ่งเงินทองต่อไปนั่นเองนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนักบวชจึงไม่ได้สอนเรื่องการทำทานเพราะนักบวชนี้ได้ทำทานได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วยึงไม่ต้องสอนเรื่องการทําบุญทําทานและนักบวชก็ไม่ต้องไม่ควรที่จะไปขวนขวายไปหาเงินหาทองมาเพื่อเอามาทาบุญทาทานอันนี้ก็เท่ากับการเดินถอยหลัง เารถอยหลังเข้าคลองถ้าเป็นนักบวชแล้วยังจะมาหาเงินหาทองเพื่อเอาไปทำบุญทำทานนี้จะแสดงว่าเดินเดินผิดทางนะแทนที่จะเดินไปข้างหน้ากับเดินไปข้างหลังก็คือกลับไปอยู่ในฐานะของคารวะนั่นเองของผู้คองเรือนทั้งทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้คองเรือนแล้วตนเองกลายเป็นนักบวชไปแล้วนักบวชนี้ต้องเดินไปข้างหน้า ทั้งหน้าของนักบวชคืออะไรก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือการปฏิบัติทานปฏิบัติศีลกับภาวนาเนี่เองเป็นหน้าที่ของนักบวชนักบวชไม่มีหน้าที่ไปหาเงินหาทองมาไปเรียลล์เงินทองมาแล้วมาเอาเงินทองนี้มาทําบุญถึงแม้จะมาทําบุญทําคุณทําประโยชน์ก็ไม่ใช่หน้าที่ของนักบวช เพราะว่ามันเป็นการเดินถอยหลังเข้าคลองแทนที่จะเดินไปข้างหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์กับกลมติดอยู่กับการหาเงินหาทองเพราะเมื่อมันเริ่มหาแล้วมันจะติดเหมือนก็เป็นเหมือนกับเป็นคารว่าทุกขคลองเดือนที่หาเงินหาทองมามาเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆมันพอมันใช้แล้วมันมันใช้เงินใช้ทองแล้วมันก็จะติด มาเป็นนักบวชก็เหมือนกันแทนที่จะไปเข้าป่าเข้าเขาไปภาวนาไปปฏิบัติสมาธิไปปฏิบัติ ป, ป, ตปัญญาก็มาเรียลายหาเงินหาทองมาสร้างพระพุทธรูปบ้างมาสร้างเจดีย์บ้างมาสร้างอะไรต่างๆบ้างอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชอันนี้เป็นหน้าที่ของคารวะผู้คลองเรือนผู้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ต้องการที่จะเสียสละ เขารู้ว่าเงินทองนี้เป็นสิ่งที่ดับความทุกข์ไม่ได้แต่อยากจะใช้เงินทองนี่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคม <ฮะ S 1> การสร้างถาวรและวัตถุต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นใ น, ในระดับหนึ่งเพราะว่านักบวชก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมีวัดที่อยู่ <ฮะ S 1> ก็จะต้องมีศาลามีมีกุฏิมีอะไรที่จะต้องเอามาใช้เป็นที่ ทำภ า, ารกิจต่างๆการบริจากท ร, รัพย์ที่มีส่วนเกินนี้ไปให้กับการสร้างถาวัลวัตถุในพระพุทธศาสนาก็ เ, าเรียกว่าเป็นการปฏิบัติของของคารวะคือเป็นการทำทำทานนั่นเองแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักบวชนักบวชนี้ไม่มีหน้าที่ที่จะไปหาเงินมาสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา45ปีหลังจากที่ได้ทรงตัดทะลกุก็ไม่ได้มีการไปหาเงินหาทองมาสร้างวัดแม้แต่วัดเดียววัดต่างๆที่สร้างขึ้นมารล้วถวายให้พระพุทธเจ้านี้ก็เป็นวัดที่สร้างด้วยจากคนที่มีเงินทองเช่นจากพระราชามาหากษัตย์หรือจากมหาเศรษฐีทั้งหลายที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วอยากจะใช้เงินทองนี้ให้เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนา น่าเป็นประโยชน์กับตนเองคือเป็นบุญเป็นกุศลก็ mm hmm. นำเอาเอาเงินทองนี้มาสร้างวัดแล้วก็นิมนต์อาลาธนาให้พระพุทธเจ้ามาประทับแต่ตัวพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียว mm hmm. อย่าไปว่าแต่พระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้ในสมัยพระพุทธการในสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่นี้ไม่มีการสร้างพระพุทธรูปโดยเด็ดขาด พราะพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าพระพุทธรูปไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเราเป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าอยากจะเห็นเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้ไปปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตและผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรม ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นเราตถาคตเพราะว่าตถาคตก็คือธรรมนี่เองอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยหาเงินหาทองเลี้ยลายเงินเลี้ยลายทองต่างๆเพื่อมาสร้างถาวรวัตถุอะไรต่างๆ<ม>ท่านไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ท่านให้ความสำคัญก็คือการสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลก หน้าที่ของพระพุทธเจ้านี่มีอยู่5้าข้อด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจ5้าสข้อด้วยกันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะเช่นตอนบ่ายก็สั่งสอนธรรมะให้แก่คารวะญาติโยมตอนค่าก็สั่งสอนธรมนธรมะให้แก่กภิกษุภิกษุนีนักบวชแล้วตอนเด็กก็สั่งสอนเทวดา พระพุทธเจ้ามีอิทธิฤทธิปฏิหารมีความสามารถสามารถติดต่อกับพวกเทวดาได้จึงใช้ความสามารถอันนี้มาสั่งสอนเทวดาในยามดึกณกตอนเช้าก่อนจ ะ, ะเสด็จออกบินธบาทก็ทรงเรียงยานดูว่าวันนี้มีใครที่เหมาะกับการที่จะรับทานคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรณีพิเศษ พระพุทธเจ้าก็จะมุ่งไปที่บุคคล น, นั้นในวันนั้นเพื่อสั่งสอนธรรมะที่จะช่วยทําให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะาอาจจะมีเพราะเหตุเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ได้ไม่นานเช่นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าได้ไม่ได้รับคําสอนจากพระพุทธเจ้าในวันนั้นก็อาจจะไม่มีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์เลยเพระพุทธเจ้าก็จะทรงเล็ยงยานดูว่าจิตใจของใคร เป็นจิตใจที่เหมาะที่พร้อมที่จะรับทำอันประเสริฐพระพุทธเจ้าก็จะไปโปรด น, นี่คือสี่ภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ทรงกระทําทุกวันภารกิจข้อที่ห้าก็คือการไปโปรดศัสตร์บินธบานีอ่อันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบําเพ็ญมาตลอดไม่มีวันขาดเพราะถือว่าเป็นหน้าที่อันอันดีของพระภิกษุของนักบวชนักบวชนี้ต้องพึ่งตนเอง ด้วยการอาศัยการบินทบาททงสอนพระภิกษุทุกทูกที่มาบวชให้ให้บินทบาทกันทุกคนจนถึงวันที่ไม่สามารถจะบินทบาทได้แล้วค่อยเลิกบินทบาทหลวงปู่มั่นพระอาจารย์มั่นนีท่านก็ยึดคําสอนอันนี้ท่านก็บินทบาทนะอพอท่านท่านบินทบาทตั้งแต่บวชมันบวชไปะยะทังถึงวันตายนะพอถึงวันที่ วัยชราท่านไม่สามารถเดินขาไปถึงหมู่บ้านได้ท่านก็เดินเพียงครึ่งทางชาวบ้านก็ออกมารอรอรอรอตรงครึ่งทางนั้นมาใส่บาตรตรงที่ระยะครึ่งทางจากวัดไปหมู่บ้านแล้วต่อมาท่านก็เดินไม่ไหวก็เดินได้แค่หน้าวัดก็ลงมาที่หน้าวัดชาวบ้านก็มารอใส่บาต ท, ที่หน้าวัดต่อมาก็เดินลงมาที่หน้าวัดไม่ได้ก็ รับบาตรที่ในศาลาท่านพยายามทํากิจนี้ตามที่ผู้เจ้าทรงสอนเพราะเป็นกิจอันประเสริฐของนักบวชเพราะเป็นศักดิ์ศรีของนักบวชการเป็นนักบวชนี้จะต้องบินทบาทเพราะว่าเป็นการหน้าทำหน้าที่โปรดสัตว์ทําให้ผู้ที่เขาะจะอยากจะได้ทําบุญจะได้ทําบุญ ถ้าไม่ไปบินทบาทนี้เขาก็ไม่มีพระที่จะมารอใส่บาทเขาก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะมาวัดมาทําบุญได้แต่ถ้ามีพระไปที่ว่าบ้านเขาทุกวันเขาก็จะมีโอกาสได้ทําบุญทุกวันได้ทําทานทําตามกิจที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทําก็คือกิจของคารวะในเบื้องต้นนี้ก็คือให้ทําบุญทําทานให้ลดละความความมาความความที่จะต้องอาศาัยเงินทองเป็นเครื่องมือ ในการมาใช้ดับความทุกข์ทางใจ mm hmm. เงินทองนี้มีไว้สำหรับใช้ในการดับความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้น mm hmm. คือร่างกายนี้จาเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่แล้วร่างกายก็จะต้องทุกข์ยากเดือดร้อนขึ้นมานั่นเองดังน mm ั hmm. ้นการการมีเงินมีทองหรือการหาเงินหาทองนี้เป้าหมายหลักก็อยู่ที่การเอามาดับความทุกข์ทางร่างกาย mm hmm. เอาเงินทองมาซื้ออาหารเอาเงินทองมาซื้อเครื่องนุ่มห่มเอาเงินทองมาซื้อที่อยู่อาศัยเอาเงินทองมาซื้อยารักษาโรคอันนี้เป็นหน้าที่ของเงินทองหน้าที่ของคารวะที่จะต้องมีเงินทองไว้เลี้ยงดูร่างกายของตนถ้าขาดเงินทองไม่มีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายของตนร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ร่างกายก็จะต้องตายไป อันนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้คองเรือนทุกคนที่จะต้องมีการทำงานทำการทำหามาทมาหากินหาเงินหาทองมาเพื่อเอามาซื้อปัจจัยสี่เลี้ยงชีพของตนเอง mm hmm. การใช้เงินแบบนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลส ต, ตันหาไม่ถือว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจแต่เป็นการบําบัดความทุกข์ทางร่างกายที่ทุกคนจะต้องมีต้องทากัน แต่ไม่ให้ใช้เงินใช้ทองมากไปกว่านี้ถ้าสมมุติว่ามีได้หาเงินหาทองมาได้มากกว่าที่จะใช้กับการไปเยียวยากําจัดความทุกข์ทางร่างกายเงินส่วนเหลือนี้ให้เอาไปทำบุญทําทานอย่าเอาไปใช้ดับความทุกข์ใจด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปดูไปฟังอะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ใจอย่างแท้จริงเป็นการดับเป็นความดับความทุกข์ใจแบบชั่วขราวแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ใจต่อมาถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถมีเงินมีทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆมาดับความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจก็จะเกิดมากขึ้นมาอีกนั่นอย่าไปอาศัยเงินทองในเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจ เวลาเราไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องไปใช้การภาวนาใช้การรักษาศีลภาวนาเป็นการดับความทุกข์ใจซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องอย่าไปดับความทุกข์ใจด้วยการไปเที่ยวเที่ยวที่นั่นที่นี่ <S <S เวลาไปเที่ยวมันก็ลืมความทุกข์ใจไว้ชั่วคราวไปสนุกสนานไปเฮฮา <S <S แต่พอกลับมาบ้านกลับมาที่เดิมที่ที่เคยมีความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจมันก็จะกลับมาหาเราอีกอยู่เรื่อยๆแต่ให้เราหนีมันไปนานเท่าไหร่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตามเราไปจนได้อยู่ดีความทุกข์ใจนี้มันอยู่ที่ใจมันเกิดจากความหลงเกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆนี่เองพะเกิดความอยากเกิดความหลงใจก็จะเริ่มวุ่นวายใจก็เริ่มไม่มีความสุขแนละ้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเองแตากคิดอยากจะไปเที่ยวเท่านั้นเองก็เริ่มรู้สึกมีความ อกระตือนลือล้นขึ้นมาแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วจะต้องไปหาที่เที่ยวต้องไปหาเงินหาทองถ้าไม่มีเงินมีทองก็ต้องไปหาเงินหาทองกัน<ม>แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ใจก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่อย่างสุขอย่างสบาย<ม>ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจโดยที่เราไม่รู้สึกตัวอ<ม>ดังนั้นเราอย่าใช้เงินทองให้ไปกับการไปดับความทุกข์ทางใจ เอาเงินทองนี้ไปทําบุญทําทานก็จะช่วยดับความทุกข์ทางใจได้ในระดับหนึ่งเพราะการทําบุญนี้จะทําให้เราไม่ไดไม่มีเงินไปเที่ยวนั่นเองถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทําบุญต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากไปเที่ยวเพราะว่าเราไม่มีเงินไปเที่ยวแล้วเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวความอยากไปเที่ยวมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวความอยากไปเที่ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วพอเราไม่มีเงินเที่ยวเราก็จะทุกข์ เราก็จะวุ่นวายใจได้นั่นนี่คือสาเหตุที่เวลาที่พูุทธเจ้าทรงสอนมัคคือวิมัค ก, ก็คือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกนี้ท่านก็กสองในสองแนวทางด้วยกันถ้าสอนให้กับนักบวชท่านก็สอนทานท่านก็สอนศีลสมาธิปัญญาหรือศีลกับภาวนาให้รักษาศีลแล้วก็ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้าสอนให้กับควะผู้ครองเรือน คุยที่อย่างใช้เงินทองไปกับการดับความทุกข์ทางใจก็ส่งสอนให้เลิอกอย่าใช้เงินทองไปดับความทุกข์ทางใจเพราะเงินทองดับความทุกข์ทางใจอย่างอย่างถาวรไม่ได้ดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ขาดเงินขาดทองขึ้นมาดงนั้นอยา่าอย่าใช้เงินทองเพื่อไปดับความทุกข์ทางใจด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆ ให้เอาเงินทองนี้ไปทาบุญทาทานแทนเพราะมันจะสกัดความอยากที่จะใช้เงินทองในการดับความทุกข์ใจนั่นเองต่อไปเราก็จะได้เลิกเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจเพราะมันดับไม่ได้แล้วนอกจากดับไม่ได้แล้วมัน ต, ตัวมันเองกับกลายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะไปใช้กัน แต่ถ้าไปเป็นนักบวชแล้วพระพทธเจ้าก็สอนให้รักษาศีลภาวนาไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําบุญทําทานไม่จะต้องไปเรียลายของเงินขออะไรจากใครให้อยู่เป็นขอทานไม่ใช่เป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้ขอแล้วให้ไปเป็นขอทานขออาหารแต่ ขอทานแบบที่ไม่ไม่รบกวนชาวบ้านก็คือขอโดยไม่กล่าววาจาไม่ได้ไปเรียกร้องว่าขอนั่นขอนี่จากคนนั้นจากคนนี้แล้วแต่ศรัทธาของผู้ที่จะทำบุญทำทานผู้ให้ถ้าอยากจะให้ก็ให้ใช้เวลาไปบิณฑบาตนี้ก็ไม่ให้ไปเรียกชาวบ้านคนนั้นคนนี้ว่าขอนั่นขอนี่นะอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่อันนี้ไม่ใช่เป็นการบิณฑบาตไม่ใช่เป็นการโปรดสัตว์ การโปรดสายก็คือการไปปรากฏตัวให้รู้ว่าเราเป็นผู้รับการให้ของผู้อื่นเราอยู่ได้ด้วยการให้ของผู้อื่นคืออาหารผู้ที่มีความอยากจะทาบุญทาทานมีอาหารเหลือกินเหลือใช้อยากจะแบ่งให้เราบ้างเราก็ยินดีรับแต่ถ้าไม่มีพอที่จะแบ่งมาให้เราก็ไม่ว่าอะไรอันนี้คือวิธีการของการบินทบาท เป็นการไม่ได้เป็นการเป็นการไปรบกวนใครเพราะไม่ได้ไปขออะไรจากใครทั้งสิน้นคนให้นี้ไม่ได้ถูกบังคับว่าจะต้องให้นอนให้นี่จะต้องให้วันนั้นวันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้เลยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าสำหรับผู้ที่เห็นว่าการที่มีเงินมากเกินไปแล้วมักจะเอาเงินนี้ไปทำตามกิเลสตัณหาความอยาก ก็เอาเงินนี้มาทาบุญทำทานเสียดีกว่าอันนี้ก็เป็นการโปรดสัตว์ให้ได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานสาหรับผู้ที่เห็นโทษของการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ทางใจอันนี้แหละคือเรื่องของเร่งการศึกษาของการปฏิบัติทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็มีเป็นสองแนวทางของคารว่าผู้ครองเรือนก็มี การทำทานรักษาศีลการภาวนาสำหรับผู้เป็นนักบวชก็จะเป็นการรักษาศีลและการภาวนาหรือถ้าขยายออกมาการภาวนาก็คือการปฏิบัติสมาธิและปัญญาก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าขยายสามข้อศีลสมาธิปัญญานี้ก็จะกลายเป็นแปดข้อขึ้นมา เช่นศีลได้แก่อะไรได้แก่ก็สัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวโว อ, อันนี้อยู่ในข้อของศีลสัมมากรรมโตก็คือการกระทําที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณี<ม>การสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องก็คือการไม่พูดปดนี้การไม่มูสาวแล้ว สัมมาทิโมนี้ก็คือการเลี้ยงชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเลี้ยงชีพด้วยการไม่กระทำบาปไม่ไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีเป็นต้นเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีว์อาชีพที่ถูกต้องนี่อยู่ในกลุ่มของศีลกลุ่มของสมาธิก็ได้แก่การมีความเพียรเพียรเพียรเพียรอะไรเพียรเจริญสตินั่นเองเพียรฝึกสติสร้างสติเพื่อคอยควบคุมความคิดหยุดความคิด เพียงนั่งสมาธิถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบใจก็จะรวมเป็นอัปปนาสมาธิตั้งมั่นอยู่ในความสงบเกิดความสุขเกิดอุเบกขาขึ้นมาอันนี้อยู่ในกลุ่มของสมาธิคือสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ชอบ แ้วส่วนปัญญาก็คืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างไรถึงถูกต้องก็เห็นว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆการที่จะทําให้ความทุกข์ดับไปต้องดับด้วยด้วยการหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้เป็นทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เพราว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้เสมอไปนั่นเองนี่คือนี่คือปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวมกันก็เป็นมรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญาก็มาจากมรรคแปด ท, ทานศีลภาวนาก็มาจากมรรคแปดเพิ่มด้วยการทําบุญทำทานอีกข้อหนึ่งสําหรับผู้ที่ยังมีเงินมีทองสําหรับผู้ที่ยังต้องใช้เงินใช้ทองในการดับความทุกข์ใจอยู่ พระพุเจ้าก็สอนว่าเลิกใช้เงินไปดับความทุกข์อยาเาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราอย่าเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆรองเท้าอะไรต่างๆอย่าไปเอาเงินไปเสริมความงานทําสัญญกรรมอะไรต่างๆวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ไปดับความทุกข์ทางใจดับได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องแก่ลงอยู่ดีแล้วก็ต้องหน้าขี้เลอยู่ดีทํายังไงสัญญกรรมยังไงก็แก้ไม่ได้เวลาแก่ อย่าไปพึ่งเงินทองในการไปดับความทุกข์ทางใจให้เราเอาเงินทองที่เราไปใช้ดับความทุกข์ทางใจนี้เอาไปทาบุญอันนี้แหละเป็นการใช้ดับความทุกข์ทางใจที่ถูกต้องทาบุญทำทางแล้วความทุกข์ทางใจที่จะเกิดจากการต้องมีเงินมีทองก็จะหมดไปแล้วต่อไปมันก็จะทำให้เราไปบวชได้ถ้าเราบวชได้เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นเมื่อปฏิบัติอย่างเข้มข้นเราก็จะสามารถบรรลุถึง ทำขั้นต่างๆได้บรรลุถึงขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์และพระนิพพานได้ตามลําดับต่อไปอย่างแน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทํากันเราเป็นนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนของเราก็คือพระพุทธศาสนาที่ให้เรามาศึกษามาเรียนมาทําการบ้านมาปฏิบัติมาทําการบ้านแล้วก็มาทําข้อสอบกันเมื่อเราได้ศึกษาได้ทําการบ้านได้ทําข้อสอบ เราก็จะได้รับปริญญาตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปริปุเรนติสากลังเอวามีวะอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปกา ป, กปิ เหตุงปฏิที่ต่างตุมห um ังคิปว่ามีวาสนาฉาตุสะเปปุเลนตุสังขปาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจันตุสะพรโควินัสตุ มาเตพวะตะวันตาราโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาทนศีลสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังฮาลังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีอะไรก็ถามได้เลยอ้ามีผู้ติดตามเท่าไหร่ครับวันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 4 4 4ท่าน YouTube พระสุชาติ3 3 5ท่าน y o u t u ด e อกเร์59ท่าน Club House 5ท่าน วิทยาลายเจ็ดท่านนาคุติ1้อยเจ็ดสิบเก้าท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันี่สิบเก้าท่านครับอาจารย์ค่ะมีคำถามจากทางนาคุติค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์อยากรู้ว่ากรรมเก่าของตัวเราเองได้ทำอะไรไว้จะสามารถทราบได้ไหมครับมีวิธีทำให้รู้กรรมเก่าได้หรือไม่ครับก็ต้องสามารถะระลึกชาติได้ทนะั้งนั้น การระลึกชาตได้ก็ต้องเข้าอุปจารสมาธิซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่ปฏิบัติจะสามารถเข้าได้เป็นคนน้อยมากคนที่จะมีความสามารถในทางนี้แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่อย่างใดขอให้เรารู้ว่าเราทํากรรมใดไว้เราต้องชดใช้กรรมนั้นก็พอแล้วก็อย่าไปทํามันอีกต่อไปข้อต่อไปค่ะกรรมเกิดจากการกระทําใช่หรือไม่ครับ เกิดการจากการกระทาของใจผ่านทางวาจาหรือทางร่างกายแต่ผู้กระทากรรมก็คือใจและก็ผู้ที่รับผลของกรรมก็คือใจต่อไปค่ะจากหน้ากุดนะคะ ทำไมยิ่งทำบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิยิ่งดูเหมือนกรรมเก่าจะยิ่งสนองมากขึ้นเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นทำให้บางทีก็ท้อแท้จนไม่อยากทำความดีต่อไปค่ะก็เพราะว่าเวลาเราทำบุญเราก็จะหวังจะได้ผลบุญทันทีทันใดพ อ, อไม่ได้ผลบุญแล้วได้ผลบาปก็เลยไปคิดว่าทำบุญแล้ว ม, มีแต่บาตรำยิงบุญกับบาปมันก็ส่งผลให้เราอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่สังเกต แต่พอเร า, าเริ่มมาทำบุญ <c oughs> เราก็จ้องดูแต่ผลบุญอย่างเดียวอืโดยที่ไม่ยอมรับผลบาปเลยพอผลบาปมันปรากฏก็เลยคิดว่าแหมทำไมเวลาทำบุญแล้วบาปถึงผลบาปถึงเยอะเหลือเกินก็เพราะมันทำบาปมาเยอะอนี่มันก็เลยต้องรับผลบาปไปมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญแล้วจะไปยับยั้งผลบาปได้เรื่องทำบุญก็เรื่องของผลบุญเรื่องทำบาปก็เรื่องของผลบาปมันไม่เกี่ยวกันจากนักกุศค่ะ เรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะมีลูกเป็นสมาธิสั้นและออทิสติกข้อแรกนะคะเด็กมีกรรมอย่างไรแล้วก็แก้ไขอย่างไรคะก็กรรมก็คืออาจจะไม่มีสติในชาติก่อนมาปล่อยปะกละเลยไม่คอยควบคุมใจคอยควบคุมอารมณ์ปล่อยให้ทำอะไรตามใจอยากเด็กก็ทั่งกลายเป็นคนสติแตกไป ก็ต้องต้องพยายามฝึกฟื้นฟื้นฟูสติขึ้นมาให้เขาทําอะไรให้มีสติฝึกสอนให้เขาทําอะไรด้วยด้วยตัวเขาเองให้เขามีสติข้อสองนะคะมารดาและบิดามีกรรมอย่างไรแก้ไขอย่างไรขอบขอบคุณค่ะเรื่องของกรรมนี้ไม่เกี่ยวกับบิดามารดาครับทางร่างกายนี้บิดามารดาให้ได้แต่ร่างกายแต่เรื่องผลของกรรมนี้มันอยู่ที่ใจที่เขาทํามาในอดีตชาติ จากทางหน้ากุดค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติสมาธิแบบสมถะแล้วจะเริ่มวิปัสนาตอนไหนเจ้าคะและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปกับขอบกัขบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะก็ต้องจบขั้นสมาธิก่อนแล้วค่อยไปทางขั้นปัญญาเหมือนกับเราเรียนเรียนปีหนึ่งแล้วเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปเรียนปีสองปีหนึ่งก็คือให้ฝึกสมาธิฝึกสติ ให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ตั้งอยู่ในสมาธิได้นานให้มีความชำนาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการและเวลาออกจากสมาธิมาใจก็เย็นนิวเบคาอันนั้นแหละทึงงยาไปทางปัญญาได้คำถามจากทางหน้ากุดค่ะสองข้อค่ะข้อแรกคำว่าอธิษฐานคือความตั้งใจแล้วคาว่าอธิษฐานเหมือนกันหรือแตกต่างจากคาว่า ส, สัญญาไว้อย่างไรครับ สัญญาสัญญาเนี่ยมันอาที่สารกับที่ฐานเป็นคนละเรื่องกันสัญญาก็คือว่าเราทําสัญญากับใครสัญญาทาสัญญากับเวลาเราไปกู้เงินธนาคารเราก็ทําสัญญาว่าจะต้องใช้หนี้เท่าไหร่ใช้ดอกเท่าไหร่ถ้าไม่ใช้เขาให้เขายุดทรัพย์สินที่เราวางประกันไว้นั่นก็คือคำสัญญามันไม่เกี่ยวกับคําอธิษฐานมันก็อาจจะมีส่วนที่ว่าเราก็มีความมีความตั้งใจจะทําตามสัญญา พอถึงเวลาต้องต้องต้องส่งดอกต้องส่งอะไรก็ส่งให้เขาไปนีก็เรียกว่าเราก็มีอธิษฐานข้อที่สองค่ะอธิฐานที่ดีควรเป็นอย่างไรมันคือการยึดติดหรือไม่ครับอธิษฐานเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์มมไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นปัญหากับเรานอกจากความทุกข์แล้วไม่มีอะไรที่จะมาดับความทุกข์ได้นอกจากการอธิษฐานปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น คำถามจากทางหน้ากุดค่ะหนูจำเป็นต้องฆ่ า, มาแมลงจำนวนกว่าร้อยตัวเพราะความจำเป็นต้องทำงานวิจัยไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรกรรมนี้ถึงจะเบาบางเจ้าคะปกติถือศีลห้าค่ะคือทํากรรมมันไม่เบาบางลงไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้านกันได้คือไม่ไม่ให้มันส่งผลเร็วถ้าเราทําบุญมากกว่าทาบาปเราทาบุญเยอะเยะ แล้วบัญชีบุญเรามีกําลังมากกว่าบัญชีบาปนีเวลาตายไปบัญชีบาปยังส่สงผลไม่ได้เพราะาบัญชีบุญมันขวางอยู่ก็พยายามทําบุญเยอะๆก็แล้วกันถ้ายังต้องทําแต่ก็ไม่แน่นะว่าบางทีมันอาจจะบุญที่เราทําอาจจะไม่พอก็ได้ทางที่ดี อ, อย่าไปทํามันดีกว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่าสบายใจกว่าปลอดภัยกว่าแน่นอนกว่าคําถามจากช่องดอรวีค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเรามีชีวิตอยู่เราต้องใช้กรรมที่ทําไว้ชาติที่แล้วหากเราตายไปเราต้องไปรับผลบาปที่ทําไว้ในชาตินี้อีกไหมคะทําไมตายไปแล้วถึงใช้ไม่หมดคะเกิดมาชาติหน้าต้องใช้นีิกรรมต่อใช่ไหมคะคือกรรมนี่มันมีสองส่วนนะส่วนที่ส่งให้เราไปเกิดสูงต่ำํำถ้าเป็นบุญก็ส่งให้เราไปเกิดที่สูงไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ ถ้าบาปมันก็ส่งให้เราไปเกิดในอบายแล้วเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยังมีวิบากที่เกิดจากการทำบาป ค, คือมีคนที่เราไปสร้างกรรมสร้างเวรไว้เขาก็มาตามจองเวรจองกรรมกับเราได้อยู่นั่นมันมีอยู่สองส่ว น, ส, วนส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุที่พาเราไปเกิดช่วงที่เราไม่มีร่างกายไปเป็นไปเป็นเทวดาไป หรือว่าไปเป็นเปรตเป็นไปนรกนี่อันนี้ก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทําไหมแล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมารับวิบากที่เราทําไว้กับคนนั้นคนนี้ต่อเราเคยไปขโมยเงินเขาเขาก็อาจจะมาขโมยเงินเราในชาตินี้ต่อได้อันนี้มีสองส่วนด้วยกันถ้าอยากจะให้มันหมดก็อย่ามาเกิดพระพจะเจ้ mm hmm. า, าพาาราหลานนี้ถ้าไม่มาเกิดแล้วด mm hmm. งั้นบุญบาปไม่สามารถที่จะไปส่งผลให้กับคนที่ไม่มาเกิดได้แล้ว จากทาง YouTube ค่ะเวลารู้สึกกลัวอะไรมากๆเมื่อตั้งสติได้แล้วเรานึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเช่นพระรัตนตรัยรู้สึกปลอดภัยขึ้นหากไม่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราควรวางใจอย่างไรให้เข้มแข็งไม่หวาดกลัวคะก็ต้องกล้าหารยอมรับผลบาปผลบุญของเราอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับมันจากคุณการชาตาค่ะ กราวนมรดการพระอาจารย์ค่ะในสมัยพุทธกาลมีมีการกล่าวถึงความช่วยเหลือของเทวดาบ้างไหมคะแล้วการได้รับความช่วยเหลือนั้นเราควรวางใจอย่างไรไม่ให้หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคะคือเราอย่าไปหวังแล้วแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องผลบุญผลบาปที่เราทําถ้าเราทําบุญบุญบางทีก็มาอุปธรรมเราได้มาคําจุนเราได้แต่เราอย่าไปหวังไปรอผล เพราะมันจะถ้าเวลาไม่เกิดมันจะทำให้เราผิดหวังให้เรายอมรับกับสภาพตามความเป็นจริงของชีวิตเราว่าอะไรจะเกิดก็เกิดสู้กับมันไปด้วยปัญญาด้วยสติดีกว่าจากคุณใบ ย, ยกค่ะเมื่อนั่งเมื่อสมาธิที่ได้ที่นั่งได้ระดับหนึ่งที่สงบรวมเ ว, เวลานั่งของลูกหนึ่งชั่วโมง และออกมาเองช่วงระหว่างวันที่ลูกดําเนินชีวิตปัญญาจะแสดงออกเวลาเจอปัญหาไม่ใช่การตั้งปัญหาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาใช่ไหมเจ้าคะก็ปัญญามันมีสองแบบปัญญาแบบแก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาแก้ ปัญญาอีกแบบนะึงกปัญญาแบบทำการบ้านไว้ก่อนทำล่วงหน้าเพื่อเพื่อปัญหาที่ยังไม่เกิดมันเกิดเราจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีอันนี้ก็วางก็สมมุติเหตุการณ์ก่อนนะเกิดแฟนทิ้งเราเราจะทำยังไงอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัญญาแฟนเราไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนบางทีมันก็อยากจะอยู่กับเราบางทีมันก็อยากจะไปมันอยากจะไปห้ามมันก็ไม่ได้มันจะไปก็ต้องทาใจอย่าไปทุกกับมัน อันนี้ก็ทําการบ้านไว้ก่อนปัญญาคิดไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ถ้ามีเหตุปัจจุบันทําด่วนเกิดขึ้นเลยแฟนทิ้งเราเลยนี้ก็ต้องมาใช้ปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทุกข์เพราะว่าเราไปยืดเกี่ยวับของที่ไม่มันเป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนเราอย่าไปยืดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังไม่แน่นอนเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ไดเ้เราก็จะไม่ทุกข์เรคือเราต้องยอมนั้นต้องปล่อยวางเขาจะไปก็ปล่อยเขาไป คำถามจากคุณศรัท ธ, ธาแห่งพุทธะค่ะถามว่าพระขับรถไปไหนเองถือว่าผิดกฎของสงฆ์ไหมครับคือกฎของสงฆ์มันมีเพียงแค่227ข้อเพราะเป็นกฎที่พทธเจ้าเป็นคนตั้งขึ้นมาพอหลังจากพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ไม่มีใครกล้ามาตั้งเพิ่มแต่ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่จงวันนี้อาจจะมีเกิน 2,000 กฎก็ได้เพราะมันเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมกับนักบวชแต่ไม่มีใครกล้ามาห้าม ก็เลยไม่ม no no yes. sure anyway. ีกฎเพิ่มเติมก็มีประกาศของทางคณะสงฆ์ออกมาเรื่อยๆห้ามไปที่อะโคจรต่างๆอะไรต่างๆนี่ห้ามไปก็เป็นเหมือนกับเสือร้ายเคี้ยวไร้รเ้วรอยทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีจับเขาสึกไม่ได้เพราะเขาว่าไม่เป็นปาราชิกปาราชิกถึงจะสึกได้ปาราชิกก็มีการทําผิดสี่ข้อไปหลับนอนกับศีกการไปขโมยเงินทองของคนอื่นแล้วก็ ไปอไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอืแล้วก็ฆ่าก็ต้องฆ่ามนุษย์เนี่ยถึงนี้ผิดแล้วข้อสุดท้ายก็คือไปอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวตนอวดว่าเป็นพระโสดาบันนั่งเป็นพาาราอรหันต์บ้างเป็นต้นถึงจะ จ, จับจับสึกได้ยังถือว่าเป็นขาดจากการเป็นพระได้แต่ถ้ากินเหล้าเมายานี่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปถึงจะต้องจับสึกได้ให้ว่าเก่าวตัดเตือนห้ามปามไปอันนี้ มีคำถามจากทางอินบอ็อกค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ผมชอบคิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่มีเจตนาไม่ทราบว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับก็ลองโทษตัวเองสิทุกครั้งที่คิดไม่ดีก็เอาเงินไปทำบุญปรับปรับค่าปรับในการคิดไม่ดี<ม>คิดไม่ดีพระเจ้าก็เอาเงินไปทำบุญกับวัดไป หมดแล้วล่วะพอดีมีชาวต่างชาติมาสองคน We have two visitors from Canada and from I'm not sure where If you have any question Would you like to ask any question Nothing how about you Okay How about you Do you want to a s k any question No question Okay ไม่ไมี ม, มีคำถามหมดแล้วนะอย่างก้าวแค่นี้ก่อนนะ